ต่อจากนี้ไปเราจะมาดูว่าวิพัฒน์แต่ละวิพัทน์เนี่ยมันไม่ได้สั้นๆห้วนๆอย่างนี้มันจะมีตัวขยายของแต่ละวิพัฒน์วิพัฒน์ปฐมาก็จะมีตัวตั้งตัวขยายธุติยาตดิยาปัญญมีชาติสสัตมีหรืออารพนะก็จะมีตัวตั้งตัวขยายขยายออกไปขยายออกไปตัวที่ตั้งท่านเรียกว่าวิเศษยะตัวขยายเรียกว่าวิเศษณนะ โดยความหมายคําว่าวิเศษณ์นี้แปลว่าทําให้พิเศษวิเศษยะแปลว่าถูกทําให้พิเศษก็เลยแปลเอาง่ายๆตามภาษาไทยว่าวิเศษณ์คือบทขยายวิเศษยะคือบทที่ถูกขยายนะสองบทบทขยายกับบทถูกขยายบทไหนขยายทําให้พิเศษขึ้นก็เป็นวิเศษณ์บทไหนตั้งอยู่ก็เป็นวิเศษยะ แต่ถ้าไม่มีวิเศษณะวิเศษยะก็จะไม่มีถ้าไม่มีวิเศษณะนะไม่มีตัวขยายตัวที่จะถูกขยายมันก็ไม่มีเมื่อไหร่มันมีตัวขยายจึงเรียกได้ว่ามันถูกขยายนั้นก็จะมีคู่กันทุกครั้งมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นั้นต่อจากนี้ไปเราจะมาดูวิเศษณะกับวิเศษยะตัวถูกขยายเป็นตัวตั้งตัวขยายก็ขยายไปทาให้พิเศษ พิเศษเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าดีขึ้นอย่างเดียวนะให้แตกต่างคาว่าพิเศษต้องเข้าใจคำว่าวิเศษณะหน่อยว่าแตกต่างแตกต่างไม่ได้แปลว่าทำให้ดีเลิศไม่ใช่วิเศษณะเนี่ยแปลว่าทาให้แตกต่างไปจากปกติอย่างเช่นพอพูดถึงว่าบุรุษบุรุษคือคกลางกลางสามัญทั่วไปถ้าบุรุษคนนั้นบุรุษคนนี้นนก็จะแตกต่างจากคนอื่นแล้ว บุรุษ ด, ดีบุรุษเรวนันก็จะแตกต่างจากคนอื่นแล้วดูนะวิเศษณะวิเศษสยะบทขยายกับบทถูกขยายบทขยายกับบทที่ถูกขยายเป็นตุลยะยาที่รณะคำว่าตุลยยาที่รณะขยายต่อไปว่ามีวิพัฒน์และวัจนะเดียวกันตุลยยาที่รณะเนี่ยแปลว่าเสมอกันตุลระยะแปลว่าเสมอ ที่กรณะแปลว่าที่ตั้งตุรยาที่กรลณแปลว่ามีที่ตั้งเสมอกันคำว่าที่ตั้งในที่นี้หมายถึงวิพัฒนและวจนะวิพัฒเดียวกันวจนะเดียวกันเรียกว่าเสมอกันถ้าแตกต่างกันก็ไม่เสมอกันแล้วเป็นตุวรยาที่กรณะก็มีเป็นอตุลรยาที่กรณะก็มีถ้าอตุลรยาที่กรลยาคือวิพัฒ์และวจนะเนี่ยแตกต่างกัน วิพัฒน์แจนทแตกต่างกันเราเห็นมาเยอะแล้วตั้งแต่ปฐมาวิพัฒน์มาจนจบสัตตมีวิพัฒน์ผ่านไปเมื่อตะกี้เนี่ยวิพัฒน์หนึ่งขยายอีกวิพัฒน์หนึ่งก็ถือว่าวิเศษณ์ที่เป็นอัตุลยะที่รณะไม่เสมอกันเช่นชัตถีขยายปฐมาเงินของเราเงินเป็นตัวตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวขยายอย่างนั้น ระหว่างเงินกับของเรานี่วิพัตน์เดียวกันไห ม, ไ ม, ไมวิพัฒน์แตกต่างกันนั้นที่เราแปลมาทั้งหมดตั้งแต่ปฐมมานถึงสัตตมีเนี่ยนะเป็นอตุริยาที่กรณะทั้งนั้นเลยดังนั้นตัวอย่างอตุริยาที่กรณะเนี่ยจะไม่แสดงซ้ําอีกจะแสดงเฉพาะตัวอย่างที่เป็นตุริยาที่กันนะคือตัวตั้งกับตัวขยายเนี่ยมีวิพัตน์เสมอกันเดียวกันเลยปฐมมาก็ปฐมมาเหมือนกันเอกกพจน์หรือพวกหูพจน์ก็ต้องเป็นเหมือนกัน จะไล่ไปตามลำดับวิพัตน์ตั้งแต่ปฐมมาจนถึงสัตตมีวิพัฒน์ดูปฐมมาก่อนข้อ 1. นุริยางที่กรณะในปฐมาวิพัฒน์ก็คือตัวตั้งกับตัวขยายของปฐมมาให้สังเกตนะสังเกตดูเฉพาะปฐมาวิพัฒน์ว่ามันตรงกันไหมตัวไหนตรงกันนั่นคือตัวตั้งกับตัวขยายตัวตั้งมักจะอยู่ข้างหลังตัวขยายมักจะอยู่ข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่นอกเสียจากว่าตัวขยายนั้นน่ะจะแปลคําว่ามีว่าเป็นลงไป จะไปอยู่ข้างหลังได้ถ้าไม่ได้แปลว่ามีว่าเป็นก็จะอยู่ข้างหน้าถ้าแปลว่าผู้เช่นบุรุษผู้ประเสริฐบุรุษผู้เป็นบัณฑิตก็จะไปข้างหน้าถ้าบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตมีคําว่าเป็นนะครัว่าเป็นบัณฑิตจะไปอยู่ข้างหลังอยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นด้วยขยายในลักษณะเป็นวิคติคตามาดูตัวอย่างอาจารย์ครับสรุปว่าท่านยังยังไม่ได้สรุปเลยสรุปแล้วครับท่าบ ขยายในลักษณะวิกติกัรตาอยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นเนี่ยมันจะไปอยู่ท้ายประโยคอยู่ข้างหน้ากิริยาแต่ถ้าแปลว่าผู้ผู้ผู้ที่ที่ ท, ที่ซึ่งซึ่ ง, ง, งอันอั น, อ, นอันเนี่ยจะเรียงไปข้างหน้ามันเรื่อยถ้าแปลว่าเป็นจึงจะโดดไปอยู่ข้างหลังดูตัวอย่างแล้วจะชี้ให้ดูว่าอันไหนเป็นอันไหนตัวอย่างข้อหนึ่งเอโกปุริโสเห็นครบและสองตัวตัวไหนตัวตั้งตัวไหนขยายดูนะ เอโกปุริโสวิหารังอาคัตฉะติเอโกแปลว่าผู้หนึ่งคนหนึ่งนายหนึ่งปุริโสเขาบุรุษหรือชายวิหารังอาคัตฉะติมาสู่วิหารอาคัตฉะติย่อมมาวิหารังสู่วิหารผู้ชายคนหนึ่งมาสู่วิหารกระทาชายนายผู้หนึ่งมาสู่วิหารบุรุษคนหนึ่งมาสู่วิหาร ตัวไหนเป็นตุริยาที่กรณะกันปฐมมาตุวนิยาที่กันหระหว่างเอโกกับุริโสดูไงเป็นวิเษตัวไหนเป็นวิเศษยะที่โเป็นวิเศษณ์บุริโสเป็นวิเศษยะพยายามสังเกตไปนะใครยังไม่ชัดเจนบุรุษเป็นวิเศษยะผู้หนึ่งเป็นวิเศษนะ วิเศษณ์มักจัเรียงอยู่ข้างหน้านอกจากวิเศษณะที่แปลว่าเป็นจึงจะไปอยู่ข้างหลังข้อ2ตวังมหันโตปันดีโตอัศิตวังท่านปันดิโตอัศิเป็นบัณฑิตเห็นไหมในขยายไปอยู่ข้างหลังล้วมีขยายท่านเหมือนกันนะท่านปันดีโตเป็นบัณฑิตแล้วขยายเพิ่มต่อไปอีกว่ามหันโตผู้ประเสริฐ ท่านเป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐพระหูพศตุมมเหมะหันตาปันฑิตาอัฏฐะท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐข้าพเจ้าบ้างอะหังมะหันโตปันดีโตอัมหิข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐพวกข้าพเจ้าก็มยังมะหันตาปันฑิตาอัมมะหะพวกข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐ ตวังมหันโตปันิตโตเนี่ยสิปธรรมวิพัฒน์เหมือนกันเอกพจน์เหมือนกันตุมเหมหันตาปันิีตาเนี่ยปธรรมวิพัตน์ผหูพจน์เหมือนกันอาหารมหันโตปันิตโตเป็นปธรรมเอกพจน์มายังมหันตาปันิีตาเป็นปธรรมผู้หูพจน์ตรงกันเลยทั้งวิพัตน์และพรจนะต้องตรงกันทีนี้ถามว่าตะวังมหันโตปัน uh ิตโตตั้งสามตัวตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นขยาย ตวังเป็นตวังเป็นิเยตวังเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวขยายมหันต์โตและปันดิโตขยายใครตวังเป็นตัวตั้งปันดิโตอยู่หน้ากิยาว่ามีว่าเป็นเป็นตัวขยายในรูปแบบของวิกติกตาขยายกัตตาให้พิเศษขึ้น ถ้าเอาปันดีโตเป็นตัวตั้งอีกทอดหนึ่งมหันโตก็จะเป็นตัวขยายของปันดีโตปันดีโตไปขยายตะวังส่วนมหันโตมาขยายปัณดีโตปันดีโตขยายตะวังเนี่ยขยายในฐานะเป็นวิกติกตาส่วนมหันโตขยายปันดีโตขยายในลักษณะเป็นวิเศสนะ ถ้าตัวไหนแปลว่าเป็นเนี่ยวิกติกัตตาใช่ไหมอ่ะย้อนคืนไปดูปฐมาวิพัฒ์ผ่านมานานและลืมส่วนใครที่เป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ลืมนะดูบ้างทบทวนบ้างอาจจะไม่ลืมหน้าเก้าเปิดหน้าเก้าข้อสี่หน้าเก้าปฐมวิพัฒ์ในอัตวิกติกัตตา ลิงคาถานั่นแหละทําหน้าที่ขยายประธานขยายประธานเมื่อกี้ตะวังเป็นประธานใช่ไหมละ่ะขยายประธานและอยู่หน้ากริยาว่ามีว่าเป็นมีบุรุษและวจะนะตรงกับประธานและกิริยาเห็นไหมละ่ะเนี่ยคือลักษณะของวิคติกตายกตัวอย่างสิทธัตถพุทโธโหติข้อสองน่ะนะสิทธัตถพระสิทธัตถพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หน้าโหติว่าเป็นโหติย่อมมีย่อมเป็น พุทโธโหติเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสมมุติว่าเราจะขยายวิกติอตาที่พุทโธเราใส่เศษโถข้างหน้าว่าสิทธโถพระสิทธะพุทโธโหติเป็นพระพุทธเจ้าเศษโถผู้ประเสริฐหรือมหันโตผู้ประเสริฐนะครับใส่เข้าไปได้ถ้าใส่ไปเพิ่มอีกเนี่ยก็จะกลายไปเป็นวิเศษนะคล้ายๆที่เรากําลังแปลอ ย, อยู่อ่ะย้อนกลับคืนมา ต่อไปดูข้อ4อี่อสีนุตะวังพาโลมนุโสโวเป็นคําถามเพราะ อ, อสิเป็นกิริยามาเรียงอยู่ข้างหน้าและใส่นุนิบาทเป็นเครื่องหมายของคําถามด้วยเวลาพิมพ์บาลีประโยคคําถามอย่าไปใส่เครื่องหมาย question mark เหมือนภาษาอังกฤษใส่นิบาดบอกคําถามไปเลยหรือนํากิริยามาเรียงไว้หน้าประโยคก็จะรู้ว่าเป็นคําถามอสินุเป็นหรือ หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราแปลตามลาดับเนี่ยตวังท่านพาโลผานมนุษโศเป็นคนพาโลผานมนุษโศเป็นคนพาโลขยายมนุษโศอสีไปอยู่ข้างหน้าก็คือแทนที่อสีมันจะมาอยู่หลังมนุษโศเนี่ยใช่ไหมถ้าอสีมาหลังอยู่หลังมนุษโศก็แปลง่ายว่าตวังท่าน มนุษโสอาสิเป็นคนพาลเป็นคนพาโลพาล น, นุหรือเปล่าแต่ว่าท่านเอาอาสินุไปอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเปว่าอาศินุตวังพาโลมนุษโสอาศิแปลว่าเป็นอ่าแปลว่าเป็นท่านเป็นคนพาลหรือเปล่าถ้ามีคนมาถามเราอย่างนี้เราจะตอบว่ายังไงอเปล่าอย่างงี้เลย เวลาแปลก็แปลอย่างนี้นะตะวังท่านมนุสโสถิเป็นคนพาโลพา น, นุหรือท่านเป็นคนพานหรือข้อห้าเป็นคําตอบนาหังพาโลมนุสโสมหิณปฏิเสธอมะหิแปลว่าย่อมไม่เป็นณอยู่ข้างหน้าอมหิอยู่ที่มนุสโสมนุสโสมะหิตัดเป็นมนุสโบวกอมหิอย่าลืมนะกิริยาตัวเนี้ย อัติสันติอสิอัฐะอัมหิอัสมิอัมหะอัสมะลืมไม่ได้ใครลืมก็ถือว่าไม่รู้บาลีเลยดันเห็นอัมหิเนี่ยมันก็คืออาหางต้องคู่กันอาหารนาหังตัดมาเป็นนะอาหางอาหางข้าปเจ้ามนุษย์สมมหิเป็นมนุษย์พาโลพานนะหาม่ได้หรือนะอัมหิก็แปลว่า ณนะมนุโสโอ ม, มหิไม่เป็นคนพาโลพานหรือรวบกันว่าอาหารข้าพเจ้าณนะพาโลมนุสโสมหิไม่เป็นคนผ่านข้าพเจ้าไม่เป็นคนผ่านปันดิตโตมหิเป็นบัณฑิตปันดิตโตมหิเป็นปันดิตโตบวกอ ม, มหิอ ม, มหิก็อาหางมันเดิมนั่นแหละ แต่ไม่ต้องโยกมามันยาวขบ้าเจ้าไม่เป็นคนพาลเป็นบัณฑิตข้อ6รักติยาเมปัธเมยาเมปัธมาวิชาอธิคตาอันนี้เป็นพุทธพจน์ mm hmm. พระวิเจ้ายืนยันให้ฟังว่า mm hmm. ปัธเมยาเม ในยามในปฐมยามในยามที่หนึ่งรติยาแห่งราตรีปฐมาวิชาวิชาที่หนึ่งเมอันเราอธิคตาบรรลุแล้วเราบรรลุวิชาที่หนึ่งในปฐมยามแห่งราตรีความหมายหรือในปฐมยามแห่งราตรีเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งแล้ว วิชาที่หนึ่งนี่วิชาอะไรกุเพนิวาสานุชียานกุเพนิวาสาวิชากับยานนี่เดียวกันนะเดียวกันวิชากับยานยานที่หนึ่งวิชาที่หนึ่งยานที่สองวิชาที่สองปัทเมเป็นขยายสัตตมีคือยาเมส่วนปัทมาเนี่ยเป็นปัทมาขยายวิชาปัทมาที่หนึ่งวิชาก็แปลว่าวิชายานที่หนึ่งวิชาที่หนึ่ง อาทิตคตาเนะี่ยเข้ากับเมยเนะ่ยเมอันเราถ้าไม่เป็นเมถ้าใส่มะยานะก็มาใส่หน้าอาทิตคตานี่เลยแต่ถ้าใส่เมเมื่อไหร่มันบังคับว่าเมเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งที่2ของประโยคเตมีโบโนะอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคเป็นสำนวนไพเราะถ้าอยากจะเอาไว้ตำแหน่งอื่นไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่สองใส่คำอื่นได้ที่มีคำหมายคำแปลเหมือนกับเมย์เช่นตยา ก็แทนเตได้มะยาก็แทนเมได้ฮะเตเมโบโนเตอันท่านเมอันข้าพเจ้าโวอันท่านทั้งหลายโนอันข้าพเจ้าทั้งหลายหรือว่านอกจากอันก็แปลว่าแก่แปลว่าของไดไปดูอัมหะทุมหาศัพท์นั่นแหละเตเมโวโน ต่อไปข้อ7จ็ดอายังชโนกุสลังกรร ม, มังกะงโรติอายังชโนชนนี้คนผู้นี้กังโรติย่อมกระทํากุสลังกรรมมังซึ่งกรรมอันเป็นกุศลซึ่งกรรมอันดีซึ่งกุศลกรรมแล้วแต่เราจะแปลแปลยังไงก็ได้ถ้าแปลแบบโบหารเนี่ยอิสระของใครของมัน ใครชอบสำนวนไหนแปรสำนวนนั้นคนผู้นี้ทำกุศ ล, ลกรรมอยังขยายโนโต่อไปข้อ8สาอิถีพันดานิวิกกินายอาปนางังคัสชาติสาขยายอิถีอิถีแปลว่าหญิงหรือแปลว่าสตรี สาอิถีหญิงนั้นสาแปลว่านั้นสาอิถีหญิงนั้นคัดฉะติย่อมไปไปเฉยๆไม่ต้องย่อมก็ได้ไปอาปนังสู่ตลาดอาปนสัสสะแปลว่าตลาดหญิงนั้นไปตลาดไปทําไมวิกกินายะเพื่อขายถ้าไม่มีวิ เป็นกินายะเนี่ยแปลว่าเพื่อซื้อถ้ามีวิอยู่ข้างหน้าแปลว่าเพื่อขายเพื่อจําหน่ายพันดานี้ซึ่งสินค้าทั้งหลายพันดะเนี่ยแปลว่าสินค้าแปลว่าเข้าของแปลว่าของใช้สอยทั่วๆไปวัตถุสิ่งของทุกอย่างเรียกว่าพันดะหมดหญิงนั้นไปตลาดเพื่อขายสินค้าใครเคยไปขายของมั้ง ตลาดมีไหมอยู่เนี้ยยกมือนะออนาะมีหลายคนนะอาตมาก็เคยจะเล่าให้ฟังหลังๆจากนั้นมายังยังยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบาปอยู่นะไปขายของไม่ใช่การเอาเปรียบไม่ใช่อะไรหรอกมีครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุสักสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ดได้กำลังโตเป็นหนุ่มน้อย <c oughs> อายที่สุดคือไปขายของแต่ว่าแม่เนี่ยชอบใช้ให้ไปขายของไม่ว่าจะปลูกอะไรทําอะไรที่ไร่ที่สวนไปขายได้สี่บาทห้าบาทก็เอาไปขายแต่ว่าไม่ไปไปยืนซุ่มอยู่ข้างหลังแม่ไปตั้งหาบหาบกระเชื้อไปตั้งขายแล้วก็ไปนั่งบังอยู่ข้างหลังาอายคน <laughs> ตอนอายุสิบเ็ดเนี่ยพี่สาวกับน้องสาวชวนไปขายของงานวัดที่บ้านก็มีงานไม่ใช่มีงานบ่อย ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้คนมาเที่ยวเยอะไปขายน้ําแข็งไม่ใช่อะไรหรอกขายน้ำแข็งใส่น้ำหวานเนี่ยใส่นมบ้างเป็นนมเย็นเป็ น, นชาเย็นอะไรพวกนี้ขายตอนแรกเนี่ยทำน้ําเชื่อมไปสิบขวดต้มน้ําตาลเชื่อมใส่ขวดขวดขาวกลมเนี่ยนะใส่สิบขวดไปกะว่าขายขนาดนี้แหละคงจะได้กําไรสักร้อย200งร้อพอไปถึงไปถึงไปถึงหมู่บ้านนั้นนะเดินทางตั้งแต่เช้า อทางลําบากมากเลยเอาสองแถวเชาว่าสองพวกแม่ค้าเขารวมกันแลว้วเช่าสองแถวไปบางทีนั่งรถไม่ได้ต้องเดินเอาเดินขนของออกจากรถกลัวรถจะคว่ำเพราะทางมันลําบากขึ้นเขาลงเหวไปทั่วพอไปถึงหมู่บ้านนั้นนะบ่ายสองโมงเราไปถึงก่อนคนอื่นเ้าหมดเลยยังไม่มีแม่ค้าแม่ขายอะไรเลยพอไปตั้งยังตั้งไม่เสร็จเลยเด็กผู้ใหญ่ทั้งเด็กลุมมาซื้อซื้อน้ําแข็ง น้ำเชื่อมสิบขวดแต่ไม่ถึงชั่วโมงเลยหมดไม่รู้จะทํายังไงก็ไปซื้อน้ําตาลที่ไปซื้อน้ําตาลที่ในร้านในในหมู่บ้านเขามีร้านขายน้ําตาลน้ําตาลทรายเนี่ยมาทีนี้ไม่ได้ต้มเอาน้ําตาลมากวนน้ำเปล่าๆเลยมันนี่มันทำมันทำไม่ทันมายืนรอเฝ้าเอาโอ้ยน้ําแข็งเอาไปก็หมดนั่นแหละก็เลยเอาน้ําตาลทรายมากวนน้าเปล่าๆเนี่ย แล้วก็ใส่นมใส่อะไรแล้วก็ให้เขามันไม่ไม่ไม่เป็นน้ําเชื่อมน้ำตาลใส่เปล่ากวนใส่น้ํำคาว่าจะได้กําไรสักสองรอยเนี่ยวันนั้นได้กำไรทั้งหมดหกร้อยกว่าบาทอุ้ยเยอะนะสมัยนู้นขายของได้กาไรหกร้อยเนี่ยไม่น้อยนั่นแหละลึกแึกสิงที่อะไรเป็นห่วงว่าเขาจะกินแล้วท้องเสียหรือเปล่ามาแล้งเอาเสร้หรือย่างเสรยหรือย่างก่อนเอาเฝ้าเอา ขายดีขายดีหลังจากนั้นมาไม่ไปขายเขาอีกเลยกลัวจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกต่อไปข้อเกอปมัตตานามะขะหัตถาวาปภชิตาวาอย่าลืมว่าจะสับวาสัพ์เนี่ยอ่านติดบทหน้านะขะหัตถาวาปภชิตาวาอิทะโลเกเจวะปังระโลเกจะนันทันติเยวะ อัปปามาตาเนี่ยแปลว่าณปัมนมะัตตาปัมมัตตาแปลว่าประมาท แ, แล้วอาเทศณ์เป็นอ่ะละซ้อนปะมีอีกหนึ่งตัวหรือ เ, เป็นอัปปามัตาจะแปลว่ามีประมานน้อยนะแปลว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพราะมันคล้ายๆกันกันกบคําว่ามีประมานน้อยเหมือนกันเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือรหัสหรือว่าบรรพชิตจํานวนน้อยทีจ่จะเข้าใจว่าอย่างนั้นแปลว่าผู้ไม่ประมาทแล้วนะ ขหัตถาวาคฤุหัตทั้งหลายหรือปปชิตาวาหรือว่าบรรพชิตทั้งหลายไม่ว่าโยมหรือพระพูดง่ายอะ่ะภาษาชาวบ้านเน่ยอปะมะตานามะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้วผู้ไม่ประมาทแล้วนันทันติเยวะย่อมบันเทิงนั่นเทียว อิทะโลเกเจเวะในโลกนี้ด้วยปังระโลเกจะในโลกหน้าด้วยนั่นหมายความว่าไม่ลำบากไม่งดหงิดไม่เครียดแค้นไม่งำคาญใจในชาตินี้เป็นผู้ไม่ประมาทนะถ้าไม่ประมาทแล้วก็บำเพ็ญบุญกิยาวัตถุมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้น เมื่ออยู่ในโลกนี้จิตใจก็บันเทิงเบิกบานอาหานละจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพภูมิไหนก็ตามก็มีจิตใจบันเทิงอาหานเหมือนกันท่านจึงบอกว่าครือหัสหรือบันพชิตผู้ไม่ประมาทย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าปะมัตตาแปลว่าประมาทแล้วอะแปลว่าไม่ส่วนปอปลาจุดนะั้นซ้อนมาในในสมาสเฉย ปรมัตตาแปลว่าประมาทอะประมาาัตตาแปลว่าไม่ประมาทแต่อะประมาาัตตาอะประมัตตาเนี่ยมันว่าย า, ยากก็เลยใส่ปะซ้อนลงไปให้อ่านออกเสียงง่ายว่าอะประ ม, าามัตตนะ า, านะี่ไงณนกะ็คืออะนี่งไงตัวอะเนี่ยตัวอะเนี่ยคืออเาเนะ<อ>ทศมาจากณถ้าข้างหลังเป็นพยัญชนะณ น, ะนิบาศจะเป็นอะถ้ า, าข้างหลังเป็นสระนะณนิบาศจะเป็นอะนะดังนั้นปรมัตตาเนี่ยมันเป็นปปาไม่ใช่สระ ดังนั้นนะนี่บาด ก, ก็เลยอาเทศเป็นอ่ะเมื่อ น, นะเป็นอ่ะแล้วก็ซ้อนปะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวให้ออกเสียงง่ายจึงเป็นอับประมาตาแปลว่าไม่ประมาทแล้วนามะเนี่ยเน้นเน้นเน้นเน้เนว่าผู้ไม่ประมาทเนี่ยก็เหมือนเหมือนภ<ส>าษาไทยอะชื่อว่ารูผู้ชายไม่ย่นย่ออะไรอย่างนี้ ใส่เข้าไปให้ขยายให้มัชัดเจนเน้นอะเน้นว่าผู้ไม่ประมาทชื่อว่าชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมนะย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามาจากอั ป, ปะแปลว่าน้อยมัตตาแปลว่าประมาณก็แปลว่าเหมือนกันอย่างนี้แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วอั ป, ปมัตตกาจะใส่กะให้แตกต่างกันใส่กะเป็นอั ป, ปมัตตกาแปลว่ามีประมาณน้อยหรือจำนวนน้อย แต่ว่าอม ต, ตานี่แปลว่าไม่ประมาทไม่ผิดอะไรอ่ะไม่ผิดใช้ได้ไม่มีนามะก็ใช้ได้ต่อไปข้อส0บโสมโหสถปันดิตโตตัดสาจิตตังวีมังสิตุกาโมอันนี้เรื่องมโหสถันฑิตโสมโหสถปันดิตโต มโหสถบัณฑิตนั้นหรือว่าบัณฑิตนามว่ามโหสถนั้นวีมังสิตุกาโมใครจะทดลองใครจะทดลองใครมาจากคําว่ากาโมวีมังสิตุแปลว่าเพื่อทดลองใครเพื่อจะทดลองแต่เราไม่ต้องแปลว่าเพื่อก็ได้ใครจะทดลองต้องการทดลองจิตตังซึ่งจิตตัสสาของหญิงนั้น หญิงนั้นชื่อว่านางอะไรนะหญิงที่เป็นคู่<ะ>คู่มโหสถ่ะนางอุทุมพร น, นางอุทุมพรเวลาถามอ่ะเห็นอาการแปลกมโหสถเห็นอาการแปลกๆของนางอุทุมพรใช่เดินมาก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาพอเดินมาล่งๆแดดส่องกับเก็บร่ม พอเดินลอดต้นไม้เข้าไปในร่มกับกั้นร่มลงในน้ํากับสวมรองเท้าขึ้นจากน้ํากับถอดรองเท้าผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ทำไมไม่เหมือนคนอื่นเลยแสดงผู้หญิงคนนี้คงมีอะไรแตกต่างจากคนอื่นแน่แล้วอืมก็เลยถามว่าทําไมเธอทําอย่างนั้นก็บอกว่าที่ล่องแก้งเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวมันไม่มี ใบไม้ไม่มีขี้นกไม่มีกิ่งไม้หักลงมาใส่หัวไม่กั้นก็ได้แต่เวลาเข้าไปป่าเนีจยต้องกั้นร่มกิ่งไม้แห้งหักลงมาจะได้ปลอดภัย <No. S 1> อ่าเป็นเหตุผลอ้าวแล้วเธอพอลงน้ําสวมรองเท้าขึ้นจากน้ําถอดรองเท้าแล้วทําไมในน้ําเนี่ยไม่รู้เรามองไม่เห็นมีขวากมีหนามมีตอหรือเปล่าไม่รู้ <No. S 1> ก็เลยสวมรองเท้าเมื่อขึ้นมาตาละมองเห็นแล้วรองเท้าจะใส่ไปทําไม <laughs> ก็เลยโอ้ผู้หญิงคนนี้มีปัญญาถ้าเจอคนแบบนี้เอาไหมยมเกิียดี่คนฮะดูกนอีตัดสานแปลว่าของหญิงนั้นตัดสาอิทิยาขยายอิทิยาอิทิลิง ในตัดโสโโสกมโหสถัตปันตโตนี่ไงโโสไปว่านั้นนั้นใช่เป็นปุงลิงปุงลิงปฐมมาตัดสานั้นเป็นอิทีลิงชัตถีถ้าปุงลิงจะเป็นตัดสะถ้าอิทีลิงจะเป็นตัดสาแล้วก็ทักทายด้วยภาษาใบกันกำมือแบมืออะไรพราะนั้นมีเยอะเรื่องมโหสถนีเล่ายาว สนุกฮะอมันยาวเร า, เอายอมบอกหโมงมีละครอ๋อถ้าใครอยากจะดูก็ไปดู <c oughs> ใครอยากดูก็ไปเปิดทีวีด้วย <c oughs> แต่ละครมันยาวนะกว่าจะจบนะอโมหสดบัณฑิตเป็นชาดกนะไปอ่านในพระตไตรปิฎกอ่านชาดกก็ได้ วีมังสิตุทำไมเหรออะไรเลยวีมังสะบวกตุตุนี่มาจากตุงนะลบนี้ก็หดไปตุงปัจจัยแล้วอีอาคมสับเดิมคือวีมังสะวีมังสะเนี่ยสะเนี่ยคือสะปัจจัยในปันจจัยสามตัวนั่นนะขะฉะสะจำได้ไหมเราเคยเห็นอุาทังหรนมาจากตรงนั้นแล้ว สัพพนาสัพพอะไรนะสัพพมานานังวามังเสสุสัพพมานานังวามังเสสุกระจายนสูตรมาจากธาตุอะไรฮะมาจากธาตุอะไรวีมังเนี่ยว yes, ีมังสระเนี่สะคือปัจจัยมังในมาจากธาตุอะไรหึอืมมานะธาตุมานะเป็นมัง แล้วก็ส่วนวีนั้นเป็นเป็นอภาสะเป็นเป็นทเวภาวะหน้าธาุ่เฉยแปลว่าทดสอบแปลว่าตรวจสอบแปลว่าไข้ครวนแปลว่าพิจารณาวีมังสิตุเนี่ยนะแปลว่าเพื่อไข้ครวนเพื่อพิจารณาเพื่อทดลองแปลว่าทดลองก็ได้แปลว่าตรวจสอบก็ได้ส่วนกามะนั้นแปลว่าไข้แปลว่าปรารถนาแปลว่าต้องการวีมังสิตุกามโอ ต้องการจะทดลองต้องการจะลองใจมะโหสถะเนี่ยแปลว่ายาสมุนไพรมะโหสถะส่วนภาษาบาลีมะโหสถะเนี่ยแปลว่าขิงแห้งขิงแห้งเกิดมาเนี่ยมือถือยาสมุนไพรมาแง่งหนึ่ง โมโหสะะแปลว่าขิงแห้งไม่ใช่มียาติดมือมาด้วยไม่ใช่ตัวเหมือนขิงแห้งขิงแห้งเนี่ยเป็นลูกกรอกแล้วมียาติดมือมาหนึ่งอย่างเขาเรียกว่ามโหสะทะต่อไปข้อ11มหาวีงโรนามาอุปาสโกพุทธะธรรมเทสนังสุนาติมหาวีงโรนามะชื่อว่ามหาวีงระ อ, อุปาสกอุบาสกมหาวีงโรณาม อ, าอุปาสกอุบาสกชื่อว่ามหาวีงระสุนาติย่อมฟังหรือกาลังฟังหรือฟังอยู่ธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนาพุทธสักของพระพุทธเจ้าอุบาสกนามว่ามหาวีงระฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า มหาวีงโรนามะเนี่ยขยายอุปาสโกส่วนนามะนะ่ะเป็นนิบาตนะข้อ1ิพสหูมนุษษาอาคันตวาบังริวางเรตวาเลตดูหิปหังรันปะหั ง, ร, ร, หงรันติพ้หูมนุษาพ้หูขยายมนุษามนุษามนุษย์ษทั้งหลายพ้หูจำนวนมาก หรือมากเฉยๆมนุษย์ทั้งหลายมากมนุษย์หลายคนอาคันตวามาแล้วปังริวารเลตตวา่าปังริวางเรตวาแวดล้อมแล้วห้อมล้อมแล้วลายล้อมแล้วล้อมไว้แล้วปะหกรันติย่อมขว้างปาเลตดูหิด้วยก้อนดินทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายพากันมาล้อมไว้แล้ว ใช้ก้อนดินคว้างพากันมาเอาก้อนเอาก้อนดินคว้างหัวเนี่ยองค์คุลิมาน <c oughs> องค์คุลิมานตอนที่บวชแล้วก็เ อ, อกบิณฑบาต <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายบอกว่าองค์คุลิมานมาผู้คนที่โกรธแค้นที่เคยถูกองค์คุลิมานฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้อง <c oughs> เก็บความโกรธแค้นเอาไว้พอเห็นองคุลิมานมา ก็พากันมาลุมล้อมเอาก้อนก้อนดินก้อนอิดก้อนหินไม้ค้อนเท่าที่จะคว้าได้คว้างปลาใสหัวต่อไปข้อ13เตปิทางรักาผีตาสังสีคังสีขังปลายันติเตปีทางรักาเตปิขยายทางรักาทางระกาแปลว่าเด็กทั้งหลายเด็กชายทั้งหลาย เตปีแม้เหล่านั้นพีตากลัวแล้วกลัวแล้วเด็กชายทั้งหลายกลัวแล้วปะลายันติย่อมหนีไปสีคังสีคังโดยเร็วสีขังสีคั ง, ย อ, ง, ง, งอย่างรวดเร็ว <c oughs> พวกเด็กทั้งหลายพากันกลัวแล้วพากันวิ่งหนีกันโอดลมานี่หมดวิ่งหนีอย่างรวดเร็ว สีคังสีขังสองตัวนีคือต่างคนต่างหนีมันเด็กหลายคนคนเดียวก็สีขังนี่พูดถึงเด็กหลายคนก็คือหนีไปคนละทิศคนละทางหนีไปอย่างรวดเร็วตมาก็เหมือนกันอย่างเนี้ยเนี่ยที่คิ้วมีรอยแผลเป็นแตกเย็บหลายเข็มเนี่ยก็นี่แหละเตปีธารกาพีตานี่แหละสีขังสีขังปราญจิตพวชน ชนแทงน้ำสลบไปหลายชั่วโมงเกือบไม่ได้สอนบาหลีแล้วสลบไปตั้งแต่ประมาณสี่โมงเย็นน่ะตื่นมาอีกทีก็ประมาณสองทุ่มกว่านี่แหละเข้าโรงเรียนชั้นป .4 อายุแปดขวบเก้านี่แล้วนี่สิบกวบได้แล้วมั้งนะสิบกวบ ต่อไปข้อ14ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของพระเจ้าอุเทนโกสัมพิยังอุเทโนโนามาราชารัชชังกางเรติอุเชนิยังปณ ะ, ะจันทปัจโชโตนามาราชาอโหสิอุเทโนโราชาหัติกันตังนามาสิบปังชานาติมันตังปังริวัเตตวาหัติกันตะวีหนังวาเทนโตนาเคปลาเยติปิคันหาติปิ ยาวแล้วเป็นเรื่องเล่ามีหลายประโยคประโยคแรกบอกว่าโกสัมพิยังอุเทโนโราชา น, นามราชารัชังการเรติราชาพระราชาอุเทโนนามะพระนามว่าอุเทนการเรติให้กระทาย่อมให้กระทารัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาซึ่งความเป็นพระราชา ยอมให้กระทําซึ่งความเป็นพระราชาโกสัมพิยังในเมืองโกสัมพีพูดง่ายๆว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยให้สถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาอยู่ในเมืองโกสัมพีรู้จักไหมพระเจ้าอุทนะเทนอะเลื่อมใสในพระเจ้าไหมพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะไม่เลื่อมใส่เลยตอนแรกไม่เลื่อมใสตอนท้ายเลื่อมใส แต่ก็ชีวิตก็จบลงด้วยความอะไรนะด้วยความทนทุกทรมานไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยประโยคที่สองเนี่ยอุเทนิยังปะนะจันทปัะโชโตนามราชาอโหสิปะนะส่วนราชาพระราชาจันตะประโชโตนามะ พระนามว่าจันดปัดโชตจันทปัดโชติราชา อ, อ, อโหสินะ์อาหโศน์ได้มีแล้วอุดเชนิยังในเมืองอุดเชนีพระเจ้าอุธเทนอยู่เมืองโกสมพีพระเจ้าจันทปัดโชตอยู่ในเมืองอุดเชนีระหว่างโกโโส ม, สมกับอุดเชนีเนี่ยอยู่คนละแคว้น อยู่คนละแคว้นเดี well atti, Credit, ๋ยวมีแผนที่มาให้ดูด้วยนะเมืองโกสัมพีอยู่ที่ไหนอุเชนีอยู่ที่ไหนต่อไปจะมีแจกอยู่อันนี้ทำเองแผนที่อินเดียเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นชื่อเมืองในยุคนั้นเท่านั้นเมืองใหม่ๆไม่มีนี่ทำเอง เนี่ยอุเชนีจะอยู่ข้างล่างนะเนี่ยแควนอวันตีมืองอุเชนีตรงนี้คือมืองอุเชนีนะส่วนโกสัมพีเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะเนี่ยโกสัมพีโกสัมพีเนี่ยอยู่ในแควนอะไรนะแควนกาสีไอแควนปัญจละนี่แควนาสีโกสัมพีแควนปัญจละส่วนอุเชนีอยู่ในแควนอวันตี อุเช น, นีพระเจ้าจันทบุรชดโกสองพีนี่พระเจ้าอุเทนจริงๆพระเจ้าอูเทนเดิมเนี่ยอยู่ที่เมืองจริงๆตรงเนี้ยเมืองเก่าชื่อว่าเมืองป ร, รันตปะเมืองป ร, รันตปะเป็นพระราชาในเมืององค์หนึ่งไม่มีถ้าใส่ชื่อปัจจุบันเข้าไปอีกาลายหมด เอาหมดเลยนะเนี่ยกินพื้นที่ไปหมดเลยเป็แนแคว้นกัศมีราแคชเมียร์ไปถึนถึงกัมโพชะพวกปากีสถานอินเดียสมัยนู้นถึงนี่หมดเลยด้านนี้ว่างๆนี่จะเป็นทะเลทรายมีแม่น้ําสายใหญ่ก็คือแม่น้ําสินธุ์อยู่ด้านนี้ส่วนแม่น้ําคงคาอยู่ตรงนี้แม่น้ํายมุนาตรงนี้แม่น้ํำจีลเวดีสารพูโลหินีมหีอโนมา ไหลมาตกแม่น้ำคงคานี่หมดที่ผูเจ้าตรัสรู้พุทธคยาอยู่ตรงนี้ที่ประสูตเนี่ยที่กบิลพัท ต, ตรงเนี้ยแล้วก็มาทางนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรัสรู้ตรงนี้ตรัสรู้ที่เนี่ยแล้วก็เดินทางไปที่พาระลานศรีนะแสดงธรรมจักรมาทางนี้ตั้งแต่ที่แสดงธรรมจักรที่ตรัสรู้เนี่ยห่างกันประมาณร้อยี่สบโยชน์ 120ย ừ, ยียอ่าก็120คูณ16ก็พันกว่ากิโลอ่ะกลับมาดูมาแปรตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูใครจะดูช่วงพักก็มาดูแล้วกันต่อไปวกวนตรงไหนก็นแปรตามลำดับเลย อุเทนองราชาหัตถิกันตังนามสิปังชานาติอุเทนองราชาพระราชาตามว่าอุเทนหรือแปลว่าพระเจ้าอุเทนชานาติทรงรู้ย่อมรู้สิปังซึ่งศิลปะหรือซึ่งวิชาซึ่งศิลปะหัตถิกันตังนามะชื่อว่าหัตถิกันตะ พระเจ้าอุเทนรู้ศิละปะอย่างหนึ่งชื่อว่าหัิกันตะเป็นยังไงหัิกันตะเนี่ยบอกว่าปังอมันตังปังรีวัตเตตวาปริวัตเตตวัวไรแล้วไรแล้วเสกแล้วเอางี้แล้วกันเอาถ้าไรแล้วไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> เสกเสกมน <c oughs> ปังรีวัตเตตวัวไรแล้วมันตังซึ่งมนมันตังซึ่งมน วาเทนโตดีดอยู่ดีดดีดพินดีดอยู่หัตถิกันตะวีนังซึ่งพินชื่อว่าหัตถิกันตะวีนะังซึา่าพินหัตถีแปลว่าช้างกันตะแปลว่าชอบพินช้างชอบนาเเคยังช้างทั้งหลายปราเยติปิ ให้ย่อมให้หนีไปบ้างคันหาติปิย่อมจับเอาบ้างไล่ช้างหนีไปบ้างจับเอาไว้บ้างก็คือดีดพินจะไล่ช้างหนีก็ดีดช้างกลัวก็วิ่งหนีถ้าอยากจะจับเอาก็ดีดให้ช้างชอบแล้วก็คานเข้ามาหาแล้วก็จับเอาอยู่ในอำนาจง่ายๆไม่ต้องมาฝึกให้เสียเวลาอีก นาเคช้างทั้งหลายซึ่งนะช้างทั้งหลายอะยังช้างทั้งหลายถ้าปลายเยติปีเนี่ยแปลว่ายังช้างทั้งหลายให้หนีไปถ้าค้นหาติปีเนี่ยแปลว่ายา่อมจับเอาซ hmm? ึ่งช้างทั้งหลายไอนาเคตัวเดียวเนี่ยนะแปลว่ายังก็ได้แปลว่าซึ่งก็ได้ถ้าให้หนีไปก็ยังให้หนีไปถ้าจับเอาก็จับเอาซึ่งลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง โกสัมพิยังอุเทโนนามราชารัชชังกางเรติราชาพระราชาอุเทโนนามพระนามว่าอุเทนกางเรติย่อมให้กระทำรัชชังซึ่งความเป็นพระราชาโกสัมพิยังในเมืองโกสัมพีอุเชนิยังปณะจันดาปโชโตนามราชาอโหสิปณะสวร ราชาพระราชาจันดาปโชโตโนามะพระนามว่าจันดาปโชตอโหสิได้มีแล้วอุเฉนิยังในเมืองอุเฉนีอุเทนองราชาพระราชาพระนามว่าอุเทนชานาติย่อมรู้สิปังซึ่งศิลปะหัตถิกันตังนามะชื่อว่าหัตถิกันตะ ปังกริวัตเตตัวไารา้แล้วมันตังซึ่งมนวาเทนโตดีดอยู่หัตถิกันตะวีนังซึ่งพินชื่อว่าหัตถิกันตะนาเคยังช้างทั้งหลายปลาเยติปิย่อมให้หนีไปบ้างหรือย่อมให้หนีไปก็มีอย่างนี้ก็ได้ คันหาติปิย่อมจับเอาบ้างไล่ช้างบ้างจับช้างบ้างเวลาดีดพินไร่มนดีดพินแล้วเดี๋ยวจะเล่าอุทานให้ฟังใครก็ยังไม่เคยฟังเลยพระเจ้าเทนไม่มีเลยเลยใครยังไม่เคยฟังยกมือหน่อยสามสี่คนเองนอกนั้นเคยได้ยินแล้วใช่ไหมอ๋อพักก่อนแล้วใครกลับมาเล่า เปิดหนังสือดูต่อก่อนจะเรานิทานแปลภาษาไทยนี้ให้จบก่อนจะได้จบเป็นตอนไปมีสามข้อเปลี่ยนไทยเป็นบาลีดูข้อหนึ่งก่อนน ะ, ะบุรุษคนหนึ่งไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมด้วยบุตรของตนบุรุษคนหนึ่งว่าอย่างไรเอโกปุริโส ไปว่าไงไปคัดฉาติสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งละ่ะเอกังคามังพร้อมด้วยบุตรของตนละ่ะพร้อมว่าไงพร้อม ส, <ะ>สหหรือสัททิงสัททิ ง, ทงพร้อมด้วยบุตรละ่ะบุตบเตนะบุตเตนะสัททิงของตนละ่ะ อตัอตโนอัตโนทีนี้เรียงประโยคให้ถูกว่าเอโกปุริโสอตัตโนเอโกปุริโสอตัตโนปุตเตนะสัตทิงปุตเตนะสัตทิงเอกังคามังคัดฉาติ เอกปุริสโสอัตโนปุตเตนะสทิงอัตโนก็อัตโนะอะไรเลยของตนของตนเอกปุริโสอัตโนปุตเตนะสัทิงอออเอกัองคามังคัตฉติ ประธานคือเอกวิโสบุต ร, ร, รคนเดียวแม้จะไปพร้อมกับบุตรก็จริงแต่ต้องใช้คิยาไปคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช้คิยาไปหลายคนไม่ใช่ต้องไปคนเดียวถ้าหลายคนก็ต้องเป็นปุริสาไปคัดฉันติฉันฉันต่อไปข้อสอง บัณฑิตผู <running in> <himself> ้ประเสริฐ <t> ท <x 2> ั young, <ES> ้งหลายเป็น <of> พ <social Ale aya> ู้หูพจน์พากันทําบุญทั้งหลายเป็นพู้หูพจน์มีทานเป็นต้นด้วยความไม่ประมาทเอาบัณฑิตทั้งหลายก่อนบัณฑิตทั้งหลายว่าปัณฑิตาผู้ประเสริฐล่ะมหันตาต้องเป็นมหันตาปัณฑิตาพากันทำล่ะกะอะไรพากันทําเป็นพู้หูพจน์ โรมะอืบ er ัณฑิตไปเป็นกโลมะได้ยังไงไม่ใช่มายังเอาเอากะโรธาได้ไงไม่ใช oh, yeah. ่ตุ้มเหอะกะโรนติกะโรนติกะโรนติพากันทำซึ่งบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นบุญทั้งหลายบุญทั้งหลายปุญญานี้มีทานเป็นต้น อืมทําไมไม่ตรงกันน่ะปุญญานี้เราเป็นทำไมเป็นธานาทีนังทานาทีนี้ทานาทีนี้ปัญญานี้ด้วยความไม่ประมาทล่ะอืมอัปมาเตนะอัปมาเตนะหรืออัปมาเทนะก็ได้อัปมาเทนะน่ะตรงความหมายกว่า อ, อ, อ, อัปปมาเทนะด้วยความไม่ประมาททีนี้เรียงประโยคใหม่ให้ถูกว่าอย่างนี้มะหันตาปันติตามหันตาปันติต า, ต า, ตาแล้วก็อัปปทาอัปปมาเทนะอัปปมาเทนะปปะสองตัวนะอัปปมาเทนะทานาทีนิปุญญานิ ธานาทีนิปุญญานีกะโรนติมหันตาปาณิตาอัปมาเทนะทานาทีนิปุญญานีกะโรนติทีนี้ไงทีนี้ทานะอาทีนี้ไงมีทานเป็นต้นข้อ3 ข้าพเจ้าคนเดียวถวายทานแด่พระสงฆ์รักษาศีลห้าและเจริญภาวนาทุกทุกวันทุกทุกวันด้วยนะเอาทุกทุกวันเอาข้าพเจ้าคนเดียวก่อนข้าพเจ้าคนเดียวเอกังทำไมอาหางเอกังอาหางเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอกังมันเป็นนปุงสกลลิงจะเอาอาหางผู้หญิงหรือผู้ชายเอาผู้หญิงก็เอกาหัง ผู้ชายก็เอโกหังเขียนใครเขียนมันผู้หญิงเขียนเอคาหังผู้ชายเขียนเอโกหังถ้าเขียนผิดเดี๋ยวผิดเพศนะผู้หญิงเขียนเอคาหังผู้ชายเขียนเอโกหังถวายทานแด่พระสงฆ์ก่อนเอาสังคัสสะสังคัสสะทานังแล้วก็เทมิ เมิอาหารก็ต้องคู่กับมิอยู่แล้วสังคสสะทานาังเทมิแล้วก็รักษาศีลห้าปัญจศีลานิปัญจกับศีลานิแยกกันนะปัญจสับหนึ่งศีลานิสับหนึ่งถ้าติดกันต้องเป็นปัญจศีลังปัญจคําหนึ่งแล้วก็ศีลานิคําหนึ่ง รักษาล่ะรักษารักขติรักขติขตงไง อ, งหงอาหรอะรักขามิอ่ารักขามิปัญจะศีลานิรักขามิและจเจริญภาวนาและจเจริญภาวนาว่าไงอืมและจเจริญภาวนาอาวภาวะอะไร ภาวะนังจะภาวะนันจะเข้าสนทิเลยภาวะนันจะภาวะนันจะเจริญนะว่าไงเจริญเจริญอ่าทีเนี้ยเอ้าวุธิได้ไงอาหังไปคู่กับวุธิได้ไงอาหังอันก็ต้องลงท้ายด้วยมิยังเก่าแหละอาหารอ้าวเจริญเจริญ พาวามิพาวามิก็ได้พาเวมิก็ได้เอาพาพาเวมิดีกว่าเอาพาวามิพาเวมิะเาวมิทุกทุกวันก็ทิวเสทิวเสเอาทีนี้เรียงประโยคใหม่ให้ถูก ทิวเสทิวเสขึ้นต้นเลยสัตมีวิพัฒน์เป็นการเวลาต้องขึ้นต้นทิวเสทิวเสเอกหังหรือเอโกหังทุกคนเขียนถ้าผู้ชายก็เขียนเอโหหังวงเล็บว่าเอกหั ง, ง, หงผู้หญิงก็เขียนเอกหังวงเล็บว่าเอโกหังจะได้ใช้สลับกันเอกหังหรือเอโกหัง สังคัสธาณังเทมิสังคัสธานังเทมิาาทมปัญจศีลานิรักขามิภาวานันจะาภาวานันจะานะภาเวมิสแสดงว่าคนอื่นทาไม่ทำเลอทำคนเดียวเลยเอโกหังอะเอกาหังนะขบเาจ้าคนเดียว <c oughs> ทำคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทำารือไงอะไรนะทิวเสทิวเสถีกาหังสังคัสสะทานางังเทมิปัญจศีลานิรักขามิภาวนันจะภาเวมิ ไม่ทันตัวไหนถา ม, มถ้าเขียนติดกันให้เป็นปัญจสีลังถ้าเขียนแยกกันให้เป็นปัญจสีลานิเราเรียนสมาธิมาแล้วรู้นะถ้าติดกันเป็นทิคุสมาธิต้องเป็นเอกภ์ที่วเสก็ได้ที่วสังก็ได้นะไม่ที่วเสก็ที่วสังอันเดียวกัน ทิวะสังทีวาสังก็ได้ทิวาเสทิวาเสก็ได้ทำไมล่ะให้เจริญไงครับยังภาวนาย่อมให้เจริญย่อมเจริญซึ่งภาวนา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าภูธาเนี่ยมัไนไม่มีกรรมครับเราจะไปแปลว่าจเจริญซึ่งภาวนาไม่ได้ต้องแปลให้เป็นเหตุตุกัด เราแพรจบแล้วที่นี้มาฟังนิทานเรื่องพระเจ้าอูเทนกับพระเจ้าจันทประโชทย้อนไปอดีตชาติเป็นมาหลายกับหลายกันหลายชาติแต่ว่าเรื่องพระเจ้าอูเทนเนี่ยยังไม่ย้อนอดีตชาติเอาชาติปัจจุบันนี้แหละว่าสมัยหนึ่งมีแคว้นอยู่สองแคว้นแคว้นหนึ่งชื่อว่าอัลลกปะ พระราชาปกครองเมืองคือพระเจ้าอันลกักปะตามชื่อเมืองเลยอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเวททัีปกะพระราชาปกครองเมืองก็ชื่อตามชื่อเมืองว่าเวททัีปะกะพระราชาสององค์ก็คือพระเจ้าอันลกักปะกับพระเจ้าเวททัตีะปะกะเนี่ยนะเป็นสหายกันเมืองอยู่ใกล้กันเวลาจะไปเที่ยวไหนไปไหนมาไหนก็จะชวนกันไปด้วยกันไปไหนได้วยกันเล่ น, นมืหรสพไปเที่ยวงานไป สวนสนุกไปอุทยานล่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดวันหนึ่งในขณะที่ไปเที่ยวอุทยานพากันเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออคนในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ตายไปพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งมากมายก็นําติดตัวไปไม่ได้คนที่ตายไปแล้วเราจะตามไปดูว่าเกิดที่ไหนก็ไม่รู้อีกเออ อีกหน่อยเรามีสมบัติมากมายก็จริงแต่ก็ต้องตายเหมือนคนอื่นๆเอ๊ะเราสองคนไปบวชซดีกว่ามั้งอยู่ไปก็เดี๋ยวก็ตายอยู่แล้วทรัพสมบัติมากมายเวอร์จะไว้ทาไมคนหนึ่งพูดขึ้นคนหนึ่งก็มีใจนึกอยู่แล้วแต่ยังไม่พูดเฉยๆเออดีดีคิดอยู่เหมือนกันสองพระราชาเลยชวนเงินออกบวชเป็นดาบวบวชเป็นฤาษี สละราชาสมบัติให้พระโอรสหมดแล้วก็ออกบวชบวชก็อายุมากแล้วนะพอออกบวชแล้วพากันเดินมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือไปทางเทือกเขาหิ ม, มาลายัยถ้าตอนนี้ใครดูแผนที่อยู่อัลละกับะอยู่ตรงไหนก็<ร>เดี๋ยวก็วเห็นเห็นเห็นอยู่ในอยู่ในแผนที่นั่นแหละอยู่ใน <laughs> หาไม่เจอเลยเอาจะชี้ให้กว้างๆไว้อยู่ตรงไหนเ<ร>นี่ยอยู่แคว้นวัดเนี่ย อันลกะปะเนี่ยอันละกะป ะ, ะ, ปะตัวเนี้ยเวททัติประกาศเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไดใส่ยังไม่ได้ลงอยู่ตรงแค ว, ว้นวัชีเดินทางไปถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งมีเขาสองลูกส ป, ปายะนาอยู่ตกลงกันว่าเอาละเราบวชเป็นดาบวแล้วคันจะมาครุกทีไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ก็จะไม่ได้บาเพนพอด ต่างคนต่างแยกกันอยู่กันละกันอยู่คนละเขาครองกันคนละเขาวันอุโบสถให้ต่างคนต่างจุดไฟเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะถ้าวันอื่นๆต่างคนต่างอยู่เงียบบาเพ็ญตะบะวันอุโบสถมาถึงที่ไรก็ก่อไฟขึ้นที่เขาเพื่อนก็จะหันไปมองอ้อยังอยู่ยังไม่ตายวันหนึ่งเวทที่ประกาบรรลุ ชานได้ชาญได้ชาญแล้วก็ตายตายไปเกิดบนสวรรค์เกิดในพรมโลกว่ไไายง่ายอะได้ชานออพอถึงวันอุโบสถอรลกปะมามองหากองไฟไม่มีเข้าใจว่าเพื่อนคงตายแล้วแต่ไม่ได้ไปดูไม่อะไรตายกขาแล้วไปแล้วก็บําเพ็ญภาวนาต่อไปทีนี้เวททัฐที่ประกาศพอตายไปไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยนะดู วิมานทิพย์ของตนนะเอ๊เราได้มาเนี่ยเพราะว่าได้ฌานนี่เองแล้วก็คิดถึงเพื่อนขึ้นมาเอ๊ะเพื่อนเราได้อะไรบ้างหรือยั ง, ง, งก็ใช้จากสุทิพย์ลงมองลงไปหาเพื่อนอเพื่อนยังไม่ได้บรรลุทําอะไรเลยแม้แต่น้อยหนึ่ ง, งก็เลยสงสารเพื่อนเพราะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยนะก็เป็นคนที่มีอะไรนะมีมีฤทธิ์พอสมควรฤทธิ์ที่เกิดจากฌานเนี่ย สงสารเพื่อนก็เลยลงมาถามแปลงร่างเป็นคนเดินทางไกลผ่านมาถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรอยู่นี่เพื่อนก็เล่าให้ฟังเพราะเล่าบอกว่าข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมาบวชอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาคงจะตายไปแล้วล่ะเพราะไม่เห็นก่อไฟแล้วทเทวดาก็าจะบอกว่าอ๋อเพื่อนของท่านผูนั้นก็คือข้าพเจ้านี่แหละ oh oh. <pouco> ข้าพเจ้านี่แหละเพื่อนก็อ้าวเราท่านไปอยู่ไหนามา เพราะว่าข้าพเจ้าตายแล้วจริงๆแล้วไปเกิดบนเทวโลกเป็นห่วงท่านเลยกลับลงมาเยี่ยมมาดูสิว่าท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างลําบากเรื่องอะไรเท่านั้นแหละอรรถกปาดบดก็รีบบอกเลยว่าอุ้ยดีแล้วเพื่อนเอ้ยเรานี่บําเพ็ญสมณธรรมไม่ได้เลยเช้าก็มีโขงช้างเดินผ่านเย็นมนก็เดินผ่านกลับไปอีกไม่มีสมาธินั่งภาวนาเลยช้างมารบกวนเหลือเกิน ถ้าท่านช่วยได้ช่วยข้าพเจ้าหน่อยเถอะเวททีประกาศเทพบุตรก็เลยว่าเอาละงั้นเราจะช่วยเองเนลมิตรปิ้งได้พินมาอันหนึ่งเรียกพินว่าหัตถิกันตะเนี่ยที่เราแปลเนี่ยหัตทิกันตะวีนาพินช้างไคร้เขาเรียกว่าพินสะกดช้าง แล้วก็ให้มนบทหนึ่งเรียกว่าหัตถิกันตะมันตะมนสะกดช้างมน น, นี้จะใช้ได้ต้องใช้คู่กันกับพินดีดพินแล้วก็ไายมนไปเวทธทีประกาศเทพบุตรแนะนำวิธีใช้สาธิตวิธีใช้ก่อนพินมีอยู่สามสายไ่ยมนบทที่หนึ่งพร้อมกับดีดพินสายที่หนึ่งติ้งช้าง จะวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่กล้าแม้จะหันมามองทางไร้มนบทที่สองดีดพินสายที่สองติ้งช้างก็จะวิ่งหนีแต่ยังกล้าหันมามองอยู่บ้างทั้งวิ่งทั้งหันมามองดีดพินสายที่สามติ้งพร้อมกับไร้มนบทที่สช้างจ่าฝูงจ่าโขงจะน้อมเข้ามาหาให้ขึ้นคอได้โดยง่ายเสร็จแล้วก็ สาธิตเสร็จแล้วค็มอบพินใส่มือให้เราหายวับกับสวรรค์ไปอัลละกับปะดาบทเอาละเราดีแล้วได้ของวิเศษมาตื่นเช้ามาช้างมาเลยเป็นโครงใหญ่ทดลองว่ามนต์นี้จะมีมนต์ขลังจริงหรือเปล่าก็ทดลองจนเห็นว่าโอ้มนต์นี้มีอนุภาพอย่างว่าจริงๆเลยต้องการให้ช้างหนีกด็ดีให้ช้างหนีต้องการให้ช้างเข้ามาหาก็ดีดให้เข้ามาหาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เลยยังไม่ได้บาเพ็ญสมณธรรมตามเดิมมัวแต่เล่นกับช้างแทนที่ดีดแล้วช้างมันจะหนีแล้วเออเอาละเงียบมาแล้วบาเพ็ญตะบะดีกว่าไม่ใช่ทีนี้เล่นสนุกเลยช้างมันหายมันเงียบแล้วก็ดีดให้มันมาวนมาดูนูน่นดูนี่ก็ดีดไล่มันหนีไปทั้งวันไม่ได้บาเพ็ญทม อยู่มาอยู่มาวันหนึ่งที่เมืองปารันตปะอีกด้านหนึ่งของแคว้นของเมืองอัลลกปะชื่อเมืองว่าเมืองปรันตปะมีพระราชาครองเมืองว่าพระนามว่าพระเจ้าปรันตปะเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวพระเจ้าปารันตปะเนี่ยพาพามเหสีพาพระเทวีซึ่งกําลังทรงคันแก่ไกลคลอดไปนั่งผิงแดดอยู่หน้าพระตำหนัก หน้าสนามหญ้าในขณะนั่งก็นั่งหยอกล้อพูดคุยกันตามภาษาจุกจิกจุกกิกตามภาษาแล้วพระเทวีเนี่ยก็ดึงเอาภาพกำพลแดงของพระราชาห่มอยู่ในมห่มตัวเองเสร็จแล้วก็ถอดเอาพระธรรมมาลงในพระหัตถ์ของพระราชามาสวมที่นิ้วพระหัตถ์ของตัวเองในขณะที่สวมอยู่นั่นแหละไม่ทันได้ระวังนกหัสดสวีลิงตัวหนึ่งกลาลังล่อนหาเหยื่อ มองเห็นหูก้อนเนื้อใหญ่หัดสดีแปลว่าลิงไอแปลว่าช้างลิงแปลว่าร่างกายหัดสดีลิงแปลว่านกร่างกายตัวใหญ่เท่าช้างนกยักษ์ไงนกยักษ์เหี่ยวยักษ์มองเห็นคนห่มผ้ากับคนแดงกันว่าก้อนเนื้อใหญ่ก็โฉบลงมาใช้กรงเล็บขยุ่มให้พระเทวียอยู่ในกรงเล็บก็ก็บินไปเลย นกตัวนี้ได้เหยื่อมาทุกครั้งเนี่ยจะไปเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นประจำเลยไปฉีกเนื้อกินแล้วก็ทิ้งกระดูกล่วงไว้แหวนั้นะดาบดทอละกระปะเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นดาบดพวกนี้ตอนเช้าจะเดินมาที่ใต้ต้นไม้นี่แหละมาเก็บเอากระดูกของซากสัตว์ที่นกคาบมากินแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ย ไปทุบๆแล้วก็ต้มน้ําซุปดื่มอา้าวกระดูกมันสดๆอยู่เหมือนไปซื้อกระดูกมาจากตลาดอะไรนะต้ม อ, อะไรนะต้มต้มซี่โครงไก่อันนี้ก็ต้มซี่โครงสัตว์ต่างๆที่นกฆ่ามากินแล้วก็ทิ้งก้างทิ้งกระดูกต่างๆเอาไว้เนี่ยดาว orld คนนี้ก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกันเนี่ยดื่มน้ําซุปกระดูกสัตว์นี่แหละพอนกตัวนั้นฆ่าพระเทวีไปเกาะที่กิ่งไม้ ทำท่าจะฉีกเนื้อกินพอเทวีตั้งสติได้ตกใจมาช็อกมานานเหาะมาพอนกมาเกาะตั้งสติได้เอาละเราจะร้องโวยวายทั้งโบกผ้าโบกมือไล่ให้นกบินหนีพอนกวางคงเล็บออกพลาดไว้ดีค่าคบไม้พอเทวีก็บกมือโบอกผ้าโบก ส, สลัพัดไลยไล่นกก็ตกใจบินหนีไปพระเทวีก็เลยค้างอยูบ่บนกิ่งไม้ใหญ่ ทั้งคืนเลยตั้งแต่หัวค่ำนอนอยู่บนกิ่งไม้ทั้งคืนพอรุ่งสางคลอดบนกิ่งไม้พอคลอดบนกิ่งไม้ตอนรุ่งอรุณขึ้นพอดีเปี๊ยดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นคลอดพระโอรสเลยตั้งชื่อว่าอุเทน<ม>เกิดตอน<ม>รุ่งอรุณเกิดตอนดวงอาทิตย์อุทัยชื่อว่าอุเทน ตื่นชเช้ามาอลักลภป่าดาบทเหมือนเดินเหมือนเดิมเดินมาที่ใต้ต้นไม้จะเก็บกระดูกในขณะที่เดิน mm ก้ม hmm. ก้มเก็บกระดูกเนี่ยนะได้ยินเสียงเด็กร้องแควแควอยู่บนกิ่งไม้เหมือนไหมกควแวกนแวอ๋อมีคนใครเด็กทาไมมาร้องอยู่บนกิ่งไม้นี่จะเรียกว่าลูกนกมันก็เอ๊ะมันเสียงร้องของคนนี่ ก็เลงงนมองขึ้นไปดูอ้าวคนจริงๆด้วยเห็นผู้หญิงอุ้มล er eh? uh, ูกเล็กอยู wow. ่ก็แปลกใจว่ามาจากไหนหรือว่านางไม้กันแน่ก็เลยถามว่าอู้นั่นใครนั่นน่ะพระเทวีวิวบอกว่าข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไหนยังไม่บอกบอกว่าข้าพเจ้าถูกนกคับมานกนกจับมาแล้วจะมากินแล้วก็เลยไล่หนีไปคลอดอยู่บนนี้ช่วยหน่อยเถอะช่วยข้าพเจ้ากับลูกเล็กลงไปหน่อยเถอะ อัลละกับป่ดาบสก็เอามันจําเป็นแล้วเนี่ยปีนต้นไม้ขึ้นไปมันเป็นต้นไส้มันคงมาโยงมายางปีนได้เน่ยนะพอปีนขึ้นไม่ถึงจะประคองให้ลงมาพระทิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนธรรมดามาแตะต้องกษัตริย์ไม่ได้ถือมานากษัตริย์เขาถือพระอัลลกับปะดาโบสก็บอกว่าข้าพระเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันสละราชบัลลังก์ออกบวชเนี่ยเป็นกษัตริย์เหมือนกัน พระนางไม่ต้องหวาดหวั่นอะไรหรอกพระเทวีไม่เชื่อเอา้าถ้าเป็นกษัตริย์จริงลองพูดมาสักคำสิว่ากษัตริย์ถ้พูดกันว่ายัางไง <c oughs> ไม่เชื่อใจเขาก็เลยพูดอลกปะด้าบทพูดเออเชื่อแล้วเป็นกษัตริย์จริงก็เลยยอมให้อุ้มลงมาพออรรกปะพาพระเทวีกับพระโอรสก็มาให้อยู่ในอาสมแล้วก็เก็บน้ําเก็บกระดูกมาต้มเลี้ยงทุกวันเก็บผลหมา้รางไม้เท่าที่ตัวเองจะหากินได้ พระเทวีอยู่ไปอยู่ไป <c oughs> ก็คิดว่าเอเกิดวันใดวันหนึ่งดาบทนี้ทอดทิ้งพวกเราหนีไปคงจะแย่แน่เราไม่รู้จะไปทางไหนบ้านอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ก็เลยเอาละเราจะจับดาบทนี้ไปก่อนเป็นที่พึ่งทำให้ทุศีนก่อนทำลายศีลของดาบทซะก่อนก็เลยยั่วดาบทจนดาบทนี้ยอม ได้เสียกันตรงนั้นแล้วก็ดาบดก็ปลอบบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจะสอนพระโอรสเองอัลละกป้าดาบดเนี่ยมีพินกับมีมนตใช่ไหมตั้งแต่พระโอรสโตขึ้นมาพอวิ่งเล่นได้ก็ให้เรียนมนนี้เลย <c oughs> เรียนมนจนพระอุเทนกุมารเนี่ยมีความช่ำชองในการเรียนมนใช้มนเป็นอย่างดีเลิศพออายุสิบแปด วันหนึ่งอัลละกปะดาบดูดวงดาวก็บอกพระเทวีว่าวันนี้พระเจ้าปรันตปะสวรคตแล้วพระเทวีได้ยินร้องไห้อย่เลยนั่นแหละสามีของข้าพระเจ้าเองอัลละกปาว่าสวรคตแล้วจริงๆเพราะดูดาวประจาเมืองเนี่ยนะเศร้าหมองแล้วพราชาคงสวรคตแล้วพระเทวีก็เลยกว่าถ้าอย่างนั้น จะต้องให้พระโอรสกลับทีนี้พอพระราชาสวรรคตแล้วไม่มีทายาสืบสกุลมหาอมาตเลยต้องดูแลราชาบัลลังก์ไว้รอเพราะว่าเมื่อสิบแปดปีที่แล้วพระเทวีหายไปพร้อมคันไม่รู้เป็นตายร้ายดีหรือเปล่าไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่ไหมก็จะยกบัลลังก์ให้คนอื่นก็ไม่ได้ต้องรอเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งกลับมา นั่นแหละพระเทวีก็เลยมอบเรื่องราวทุกอย่างเล่าอะไรให้พระโอรสฟังแล้วก็ให้ผ้ากำพลแดงพร้อมกับพระธรรมรงที่ติดมือมาเนี่ยให้พระโอรสบอกว่าเจ้านําของสองสิ่งนี้กลับเข้าไปในเมืองทวงราชบัลลังก์คืนถ้าไปบอกเขาเฉยเขาไม่เชื่อหรอกต้องมีหลักฐานสองอย่างเนี้แล้วมหาอมาตย์จะบอกได้จะเชื่อถือ พระอุเทนกุมารได้พินพร้อมกับมนอดีตแลเรียกช้างในป่าทั้งหมดมาชุมนุมกันแล้วขึ้นคอช้างจาง่าโรงยกกองทัพช้างประชิดเมืองทรงข่าวไปว่าพระราชาเมืองนี้จะยอมยกราชสมบัติให้หรือจะรบกันพระราชาไม่มีมหามาตส่งทูตมาบอกว่าเมืองนี้ไม่มีพระราชาแล้วก็ไม่ต้องการจะรบด้วย ไม่ต้องการยกเมืองให้ใครด้วยบอกว่าเมืองนี้พระราชาสวรรคตแล้วพระเทวีก็หายสาบสูญพระอุเทนกุมารได้ยินก็ส่งข่าวไปบอกพร้อมทั้งถอดพระธรรมลงให้เป็นหลักฐานไปบอกว่าขอมอบให้มหมามหมาตมหาหมาตเห็นพระธรรมลงจําได้เลยรีบออกมาต้อนรับสอบถามรู้รายละเอียดเสร็จแล้วก็เชิญเสด็จเข้าเมืองสถาปนาเป็นกษัตริย์ นามว่าพระราชาอุเทนอุเทโนโนามราชารัชชังการเกรตินี่แหละได้กระทําการสถ า, าสถ า, าพนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองโกสัมพีเพราะเมืองปรันตปะนี่เมืองเล็ ก, ลกๆพอขึ้นครองเมืองเป็ น, เ ป, นเป็นเมืองใหญ่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโกสัมพีที่โกสัมพีเนี่ยมีวัดแห่งหนึ่งที่ภิกษุทําสังฆเภทจําได้ไหมเกิดสังฆเพศขึ้นทั้งแรกในาศาสนาคือ โกสัมพีใช่ทะเละเงงาะ เ, ละเรื่องเรื่องหงายขันไว้ในห้องน้ําจนแตกแยกกันพูดเจ้าหนีไปอยู่ป่าเลไลช้างกับลิงเฝ้าอุปถากต์นั่นแหละที่ที่เมือนโกสัมพีพอพระเจ้าอเทนขึ้นของราชแล้วเนี่ยก็รับพระเทวีรับพระชนนีกับอลกปะดาบทเขามาอยู่เมืองอัลกปะบอกว่าพวกท่านไปเถอะข้าพระเจ้าจะบําเพ็ญตะบะต่อแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงอีกว่าอลกปะได้ช้านอะไรหรือเปล่าก็าไม่รู้ นะหลังจากพ ร, พ, รพระเจ้าอุเทนขึ้นครองราชเนี่ยนะเรื่องราวมันก็เป็นไปได้ดีแต่ว่ามาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจันทบพโชดูเวลาก่อนอ๋อยังมี <c oughs> เรื่องนี้มาเล่าเจ็ดวันเลยถึงจะจบ <c oughs> แต่จะเล่าย่อๆให้ฟัง <c oughs> ย้อนไปอีกเมื่อหลายปีที่แล้วที่เมืองแห่งหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพง มีสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นทุกยากทราบข่าวว่าที่เมืองโกสัมพีเนี่ยข้าน้ำอุดมสมบูรณ์ด้นดั้นทิ้งพระถินฐานบ้านเรือนหนีมุ่งหน้ามาที่เมืองโกสัมพีเพื่อจะมาตั้งหลักปักฐานที่เมืองโกสัมพีอุ้มลูกเล็กๆมาด้วยหนึ่งผ่านทะเลทรายที่แห้งแรงสองสามีภรรยาพลัดกันสามีชื่อ โกตูฮาลิกะสวนภรรยาชื่ออะไรไม่ปรากฏผัดกันเปลี่ยนกันอุ้มลูกเล็กๆแ ม, มแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยให้พ่ออุ้มพ่อเหนื่อยให้ให้แม่อุ้มพอให้พ่ออุ้มพ่อคิดว่าเอจะอุ้มไปทําไมลูกคนเดียวถ้าเราไปรอดมีใหม่ก็ได้ลูกทิ้งดีกว่าตัดสินใจอุ้มลูกไปซุกไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งพอบังแดดได้นิดหน่อย แล้วก็เดินตามหลังภรรยาไปภรรยาเดินไปไกลพอสมควรหันมาถามมาเปลี่ยนหรือยังหันมาอา้าวลูกไปไหนแล้วมีแต่เมือเปล่าถามว่าพ่อลูกไปไหนบอกว่านู่นทิ้งไว้นู่นแล้วเท่านั้นแหละหัวอกแม่ใจจะขาดเหนื่อยขนาดไห น, นก็วิ่งกลับมาดูลูกมดเจาะลูกตายไปแล้วมดมันก็อดอยากเหมือนกันมีเนื้อมาวางไว้แถวนี้ก็ชอบมันเลยขึ้นมาเจาะเข้าหูเข้าตากัดโบ๋ไปหมดแล้ว แม่ก็เศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันธ์พ่อสามีก็ปลอบว่าอย่าคิดมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเศร้าโศกขอให้เราสองคนรอดไปก่อนเถอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงไหนทางจะไปเนี่ยมีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยสุดท้ายสองคนปลอบกันเดินทางมุ่งหน้าไปก่อนจะถึงเมืองโกสัมพีเนี่ยพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอพ้นจากทะเลทรายก็เจอหมู่บ้านที่เป็นทุ่งหญ้าเป็นบ้านฟาร์มเลี้ยงโค ข, ของนายโคบาน สสามีภรรยาเดินมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยน้ําก็ไม่ได้ดื่มข้าวก็ไม่ได้กินหลายวันหิวจนตัวสัน่นวันนั้นนายโคบานจัดงานมงคลทําพิธีบายสีสู่ขวัญให้แม่โคมงคลตัวหนึ่งตัวไหนที่เป็นบรรดาแม่โคทั้งหมดแม่โคตัวสีดําน้ำนมสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหม <laughs> เราแฝงมาแล้วแม่โคที่เป็นแม่โคนมที่ ถือว่ามีลักษณะเป็นแม่โคโมงคลนายโคบางก็ทําพิธีงานมงคลเนี่ยฉลองเรียกว่าใบาสีสุขขัญแม่โค ร, รอบปีที่1นึ่งก็ทำที่1เพราะคนอิเดียเขาถือว่าโคเป็นแม่คนที่สองเกิดมาดื่มนมแม่อยู่เพียง 3- 4ปีเท่านั้นหลังจากนั้นดื่มนมโคตลอดชีวิตเขาถือว่าโคเป็นแม่คนที่2ดังนั้นใครเบียดเบียนโคใครฆ่าโคใครกินเนื้อโคเท่ากินเนื้อมารดาใช่ไหมบาลีเขาจะมีบอกไว้ พอทําวิธีอยู่เห็นสองสามีภรรยาเดินตาะละห้อยละโหยมาถึงถามว่าพวกท่านมาจากไหนกันบอกว่ามาจากเมืองนู้โอมาถึงนี่กี่วันแล้วบอกให้ฟังว่าหลายวันแล้วอดข้าวอดน้ำมาหลายวันนายโคบานก็สงสารรีบไปยกกับข้าวกับปลาที่เตรียมจะจัดงานมงคลเนี่ยมาเลี้ยงสองสามีภรรยาเป็นข้าวปลาญาติคนละสามก้อนคล้ายๆสลาเปา สก้อนคนละสามก้อนพร้อมกับเนยใสยสําหรับจิ้มและน้ำนํำนมสดสําหรับดื่มยกมาให้สามีรับไปรีบคว้าเข้าปากฟัฟับภรรยาเพิ่งจะบีมาหน่อยหนึ่งหันไปดูสามีหมดแล้วภรรยาก็เลยยกสองก้อนที่ยังไม่ได้แตะต้องให้สามีไปนะพี่คงจะหิวมากเอาเอาไปอีกสองก้อนภรรยาหนึ่งก้อนสามีห้าก้อนแล้วนายครบาลมองเห็น คงจะไม่อิ่มยกมาให้อีกคนละสามก้อนสามีกินไปแปดก้อนภรรยาได้สี่ก้อนภรรยาก็ให้สามีก่อนนะเฝ้าดูอยู่สามีอิ่มถึงจะกินดีนะภรรยาใน ด, ดีส่วนสามีในงกตะกะตะกะตะการ์พอกินไปเหนื่อยมา เดินทางไกลคอแห้งเหนื่อยไม่ได้มีน้ำด้วยเนี่ยแล้วก็กินแป้งอย่างนี้เข้าไปตั้งแปดก้อนเนี่ยลองคิดดูมันไม่ย่อยจุกหายใจไม่ออกในขณะที่กำลังจุกเนี่ยเหลือไปเห็นนายโคบาลเอาเข้าวเอาของอย่างดีเลยเข้ามาทุ ป, ปาย ญ, ญาติปรุงด้วยนมไปเลี้ยงแม่มเลี้ยงหมาตัวเมียตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้แคร์นายโกตูฮาิกะมองไปเห็นอุย้ย หมามันกินดียังกับคนไว้เราเป็นหมาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใจขาดตายปุ๊บไปตอนนั้นเลยปฏิสนธิในคันหมาตัวนั้นทันทีในสมัยนั้นเป็นระหว่างพุทธันดรพระพุทธเจ้ายังไม่มีมีแต่พระปจเจกับพุทธเจ้าพอหมาตัวนั้นคลอดออกมาเป็นลูกโทนตัวเดียว นายโคบานก็เลี้ยงดูเอาใจใส่หมาตัวใหม่ลูกหมาอย่างดีไปไหนมาไหนวิ่งตามทีนี้นายโคบานเนี่ยอุ ป, ปถากพระประเจกพุทเจ้าอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่สำนักไม่ห่างจากบ้านไปวัดทีไรก็เรียกหมาตัวนี้ไปด้วยวิ่งตามนิมนต์พระมาฉันทุกวันอุโบสถฉันที่บ้านเวลาพระมาฉันหมาตัวนี้มันอนอยู่ข้างๆพระประเจกพุทเจ้าก็ ฉันอะไรก็เหลือเศษก้างเศษกระดูกหรือเศษอาหารข็โยนให้หมาทีหนึงหมามก็เลยรักพระประเจภูยเจ้าอยู่มายังมาจนหมาโตเป็นหนุ่มนายโคบานเห็นว่าหมานี้ฉลาดดีแล้วเลยบอกพระประเจภูยเจ้าว่าอาจารย์ขอรับหากวันใดข้าพเจ้ามีกิจยุ่งยากไม่สามารถจะมานิมนต์ท่านได้ให้ท่านรู้เถิดว่าถ้ามีหมาตัวนี้วิ่งมาที่วัดนั่นแสดงว่านิมนต์ท่านไปฉันที่บ้าน พระเจพูทเจ้าก็อืมรับไว้วันหนึ่งนายโคบาลจะต้องไปทุละไม่อยู่แต่ว่าจะต้องนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเลยสั่งเจ้าหมาน้อยว่าเอา้าไปไปนิมนต์พระให้พ่อหน่อยเร็วหมามันก็รู้ว่าวิ่งไปที่วัดไปถึงหน้าโกติก็ไปตะกุยประตูเฮาไม่เหมือนเท่าไหร <laughs> ่พระเจพู้ทธเจ้าก็รู้เพราะ นายโคบันสั่งเอาไว้แล้วว่าถ้าหมามาเรียกคือนิมนต์ไปที่บ้านก็ถือบาตรถ่มจีวรแล้วก็เดินเข้าไปหมู่บ้านหมาก็วิ่งตามนําหน้าไปวันหนึ่งนายาพระปเจริญเจ้าจะทดลองเอ๊ะหมานี่มันรู้จริงหรือเปล่านะพอไปถึงกลางทางเดินเลี้ยวหนีไปทางอื่นหมามันเห็นพระเจริญเจ้าเลี้ยวออกนอกทางก็วิ่งไปคาบจีวรดึงดึงดึ ง, ด, ง, ด, งดึงมาดึงม า, าพระเจริญเจ้าเออมันรู้จริงๆริานะรู้ทางไปทางถูกทางผิดมันก็รู้ ก็เลยไปพอออกพรรษาแล้วนายโคบาลถวายผ้าหนึ่งผืนหนึ่งพับพอที่จะตัดจีวรหนึ่งชุดถวายพระบัจเจพูยเจ้าทีนี้พอได้ผ้ามาแล้วเนี่ยท่านจะต้องตัดให้เสร็จตามกําหนดวินัยรูปเดียวไม่สามารถจะตัดให้ทันได้ก็เลยบอกลานายโคบาลว่าอุบาสกอัตมาภาพจะต้องไปหาเพื่อนพระบัจเจพูยเจ้าด้วยกันที่เขาคันธมาศซึ่งไกลพอสมควร ดังนั้นอาตมาขอลาโยมวันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกเจ้าหมาน้อยแอบฟังได้ยินรู้เรื่องว่าพระปเจริญพูะเจ้าลานายโคบานไปซะและ้วความรักความอะไรในพระปเจริญพูะเจ้ามันก็มีก็วิ่งตามสองคนนี้เดินคุยไปถึงไหนก็วิ่งตามไปออกนอกเขตบ้านพระปเจริญพูะเจ้าว่าเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วก็เหาะไปเลย เจ้าหมาโนยก็เขาตามหลังว๊๊อกว๊ออกพระพิจิพระ เ, เจ้าอะหาะหายวับไปกับตาใจขาดตายหมาใจขาดตายหอนทั้งเขาทั้งหอนตามแล้วก็ใจขาดนอนตายอยู่ตรงนั้นเองจุติจากชาติหมาปุ๊บปฏิสนธิเป็นเทพผู้บุตรเป็นเทพผู้บุตรเท พ, พบุตรนี้ไปโอปปาติกะปุ๊บขึ้นเท พ, พบุต ท, ทั้งหลายเอา้าเฮ้ยนี่มาจากไหนเนี่ย ก็บอกเขาบไม่รู้มาจากไหนพูดเบาๆเสียงกังวานกล้องไปทั่วสวรรค์ลเลย<ม>เทพระบุตรทั้งหลายเขาเลยขนานนามว่าโคสกะเทพพระบุตรผู้มีเสียงกล้องโคสกะเนี่ยตรงกับคาว่าโคศกงั้นใครเสียงกล้องก็เป็นโคศกมา ก, ก่อน <laughs> <laughs> เป็นโคศกมา ก, ก่อน <laughs> <laughs> <laughs> ใช่เอ้านี้เกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่เห่าตามพระปเจภูเจ้าด้วยความด้วยความรักความอะไรพระประเจภูเจ้า <c oughs> ได้เกิดสวรรค์เนี่ยเสื่อที่ทิ้งลูกนั้นนะ่ะกรรมยังตามไม่ทันมันมีความดมีอื่นๆมาขั้นตอนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปกรรมจะตามทัน <c oughs> พอไปเกิดเป็นเทพพระบุตรชื่อว่าโคสกาแล้วเนี่ยก็อยู่จนจุติโดยลืมกินข้าวแล้วก็ตาย เพราะเทวดาจุติเหตุสีใช่ไหมสิ้นบุญสิ้นอายุโกรธแล้วก็หลงละเลงจนลืมกินอาหารเทพบุตรโคสกะมัวแต่เสวยทิพยสมบัติลืมกินอาหารตาย พ, อ, พอตายจากชาตินั้นนะมาเกิดในคันหญิงแพท ย, ย์สยา ห, หญิงโสเพณีคนหนึ่งหญิงโสเพณีเขาถามอะไรนะหมอตำแย ผู้หญิงหรือผู้ชายเขาบอกผู้ชายเฮ้ยนั้นเอาไปทิ้งไม่เอาผู้ชายไม่เอาผู้ชายเอามาทําอาชีพไม่ได้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งให้เงินหมอทําแย่หมอทําแย่ก็ใส่กระด้งแล้วก็เอาไปเททิ้งกองขยะนอกเมืองทิ้งไปเลยเนี่ยผลที่ทิ้งลูกอ่ะเป็นวิบากกรรมที่ทิ้งลูกใช่ตามมาสนองแล้วใช่ถูกเอาไปทิ้งอ่าคนเดียวกัน พอไปทิ้งนะพวกนกพวกกาพวกอีแลงมันเห็นเด็กเกิดใหม่ๆอยู่กองขยะก็ไปลุมจะจิกกินแต่ว่ากินไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าผลที่เคยเห่าตามพระปเจพเจ้าคุ้มครองไว้อยู่กินไม่ได้เวลานั้นมีขะหะบดีผู้หนึ่งไปทุระผ่านไปทางกองขยะแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้ทาไมนก แรงกาทำไมมาลุมกันอยู่ตรงนี้เยอะเหลือเกินบอกลุงน้องแกไปวิ่งไปดูหน่อยสิไปก็เห็นเด็กมารีบมาแรงงานเจ้านายครับมีเด็กเกินใหม่เข้ามาทิ้งวันนี้เองเท่านั้นแหละไหนๆไปดูหน่อยพอไปเห็นหน้าได้ความรักขึ้นมาจับจิตเหมือนเป็นลูกตัวเองเลยแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกด้วยก็เลยเอาเด็กนะ่ะไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นลูกบุญธรรมเศรษฐีในเมืองโกสัมพีมีอยู่คนหนึ่ง มีทรัพย์อยู่ถึง80โกดวันนั้นจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอุเทนเสถี๋ยต้องได้รับแต่งตั้งเข้าเฝ้าพระเจ้าอุเทนเดินผ่านสวนทางกับปุโรหิตปุโรหิตพวกนี้มีความชํานาญด้านดูหมอเป็นโหราศาสตร์ประจําเมืองพอเศรษฐีเดินสวนทางกับปุโรหิตก็เลยถามอ้าวท่านอาจารย์วันนี้มีโชคดีโชคร้ายอะไรบ้างล่ะบอกข้าพระเจ้าหน่อยสิ ปุโรหิบอกว่าท่านเศรษฐีวันนี้มีนิมิตอย่างหนึ่งข้าพเจ้าดูเลิกดูยามแล้วใครเกิดวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีในวันหน้าจะได้เป็นเศรษฐีประจาเมืองเท่านั้นแหละเศรษฐีหูพึงเลยอุ้ยภรรยาอยู่ที่บ้านกำลังคล้องแก่สงสัยขอดแน่แล้วสั่งลน้นองเฮ้ยแค่กลับไปดูบ้านไหนสิภรรยาคาคขาดหรือยังเดี๋ยวข้าจะเข้าเฝ้าพระราชา ลูกน้องวิ่งกลับบ้านไปดูยังไม่คลอดภรรยายังไม่คลอดพอเข้าเฝ้าพระราชาเสร็จกลับมาถามคอยยังยังยังก็รีบไปให้เงินหนึ่งพันแกไปเที่ยวตะเวนถามดูสิว่าคนในเมืองโกสัมพีใครเกิดวันเนี้ลูกน้องก็วิ่งไปเที่ยวถามหาบ้านนั้นบ้านนี้ก็เลยรู้ว่ามีคนหนึ่งไปเก็บเด็กมาจากกองขยะก็เลยไปขอซื้อเข้ามาขอซื้อด้วยเศรษฐีตั้งใจว่า ถ้าเราเลี้ยงไว้เนี่ยมันต้องเป็นเศรษฐีใครก็ไม่รู้อะก็เลยซื้อมาด้วยเงินหนึ่งพันซื้อเด็กนํามาหนึ่งพันพอซื้อมาแล้วเอามาไว้ที่บ้านเอภรรยาเราก็ท้องแก่อยู่เดี๋ยวก็คลอดอีกไม่กี่วันก็คลอดเ อ, า, อางนี้แล้วกันถ้าคลอดมาเป็นผู้หญิงจะจับมันแต่งงานกันกับคนเนี้ยถ้าเกิดมาเป็นชายจะฆ่าคนนี้ทิ้งเอาลูกเราไว้ หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ภรรยาเศรษฐีคลอดเป็นชายด้วยเศรษฐีก็เลยบอกว่าข้าเด็กคนนี้ทิ้งซะเอาลูกเราไว้เอาลูกบุญธรรมข้าทิ้งเนี่ยด้วยบากที่ข้าลูกที่ทิ้งลูกอะ่ะถูกทิ้งอีกให้แม่นมชื่อว่ากาลีเอาเด็กไปทิ้งให้เงินหนึ่งพันเลยแกเอามันไปทิ้งทิ้งไหนก็ได้ แม่นมเอาไปทิ้งที่ไหนรู้ไหมอุ้มเด็กไปกเดินคิดไปจะไปทิ้งที่ไหนจะไปฆ่าที่ไหนจะฆ่าเองบีบคอมันตายเราก็ยังไม่กล้ายังกลัวบาปอยู่ไม่ก็เลยนึกขึ้นมาได้อ๋อที่บ้านเศรษฐีเนี่ยหลังด้านหลังเนี่ยมีคอกโขคอกปัสุสัตว์เอาละ่ะเราจะเอาเด็กเนี่ยไปทิ้งไว้หน้าปากคอกตื่นเช้ามาพวกเลี้ยงโคปล่อยสัตว์อมก็เดีย๋ยวเหยียบตายเองเราไม่ได้ฆ่าถูกโคเหยียบตาย ก็ไปนอนขวางทางอคอกไว้ตื่นเช้ามาพวกคนเลี้ยงโคก็มาปล่อยสัตว์ออกจากอคอกเวลานั้นมีโคจ่าฝูงตัวหนึ่งเดินออกมาก่อนแล้วมายืนค่อมเด็กขวางทางเอาไว้โคตัวอื่นก็เบียดหลบออกไปทางอื่นนายโคบานเห็นเอ๊ะเจ้าโคตัวนี้วันนี้ทาไมมันมายืนขวางทางเขาทุกทีมันมีแต่เดินนาหน้าเดินนำหน้าวันนี้ทำไมมายืนขวาง เลยเดินไปดูไปไล่กะว่าจะไล่โคออกนะไปเห็นเด็กนอนอยู่ใต้ท้องโคพอเห็นเด็กอ๊ยลูกใครเนี่ยถามใครก็ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยงั้นเราเอาไปเลี้ยงดีกว่าเป็นลูกเอาไปเลี้ยงเป็นลูกนางกาลีเฝ้ารอดูอยู่ว่าเด็กจะตายหรือไม่ตายจะรีบไปบอกเศรษฐีเด็กไม่ตายมีคนอุ้มไปเลี้ยงรีบไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าเอ้มันรอดได้ยังไงเอา้าแกเอาเงินไปหนึ่งพันไปขอซื้อคืนมาซื้อคืนมา 2ครั้งแล้วไปทิ้งพอซื้อคืนมาแล้วบอกกาบอกแม่กาลีว่าเจ้าเอาไปฆ่าเอาไปฆ่านางกาลีจะฆ่ายังไงทีเนี้ยนึกขึ้นมาได้ว่ามีขบวนเกวียนพ่อค้าต่างถิ่นเดินทางมารลวบับตั้งพักอยู่นี่พรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางเอาละเราจะเอาเด็กนี่เป็นนอนขวางทางเกวียนเอาไว้ให้เกวียนร้อยเล่มเหยียบให้เละไปเลย ก็ไปนอนขวางทางแล้วก็ซุ่มมองดูอยู่พวกหัวหน้าพ่อค้าเกวียนเทียมเกวียนเสร็จแล้วก็ไล่เกวียนออกเดินทางวัวไม่ยอมเดินไล่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินลงจากเกวียนไปจะไปลากวัวให้เดินไปเห็นเด็กนอนขวางทางอุย้ยเกือบเราทํากรรมหนักแล้วไหมนะจะเหยียบเด็กตายลูกใครก็ไม่รู้พอมองเห็นโอ้หนน่ารักเอาไว้เลี้ยงเป็นลูกนางกาลีเห็นเหตุการณ์รีบไปบอกเศรษฐีเศรษฐีให้เงินอีกหนึ่งพันแกไปซื้อมันคืนมา ไปซื้อมันคืนมาพอมาไว้คืนหนึ่งบอกว่าแกเอาไปฆ่าเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าทิ้งให้ได้นางกาลีนึกมานึกไปจะไปฆ่าที่้อยนึกขึ้นมาได้เอาไปทิ้งป่าช้าเลยดีกว่าป่าช้ามีฝูงอีแรงอีกาอะไรเดี๋ยมมันมากัดกินเองอะนางกาลีก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบตื่นเช้านายอาชาบานคนเลี้ยงแพะ ก็ตอนฝูงแพะฝูงแกะไปเลี้ยงตามป่าหญ้ามีแม่แพะตัวหนึ่งเดินไปเห็นเด็กเข้าเขาไปคุกเข่าให้เด็กดูดนมจุดจุดจุดเนี่ยนายโคอันนายคนเลี้ยงแพะก็เดินไปเห็นอา้าวนี่มีเด็กมันดูดนมแพะอะไรอยู่ในป่านี่พอเห็นน่ารักเอามาเลี้ยงอีกดางกาลีเฝ้าเห็นเหตุการณ์รีบบอกเศรษฐีเศรษฐีให้เงนินไปพันหนึ่งไปซื้อคืนมา ซื้อคืนมาตื่นเช้าให้อาไปข่าอีกนางกาลีโอจะไปฆ่าที่ไหนทีเนี้ยนึกขึ้นมาได้อ่อมันมีหน้าผาแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าหน้าผาโจละปาตะแปลว่าที่ฆ่าก็คือว่าจับโจรได้ต้องโทษประหารเอาไปผลักลงหน้าผาตรงเนี้ย ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องแทงไม่ต้องฟันผักลงเหียวให้ตายไปเลยนึกขึ้นไม่ได้เอาละเราไปทิ้งตรงนี้ดีกว่านางกาลีก็เอาผ้าอ้อมผ้าไหลหอเด็กแล้วก็ไปถึงหน้าผาโยนออกไปเลยโยนแล้วก็เฝ้ามองดูเด็กตายหรือยังเด็กก็ลอยลงไปหน้าผาไปค้างอยู่แถวกับพังหมที่มันคุมกอไผ่เหมือนฟูกเลยคมหนาทึบมากตกลงไปไปค้างอยู่ตรงนั้นเช้าวันนั้น ช่างจักสารชวนลูกชายไปตัดไม้ไผ่มาจะจักสารของขายขนาดฟันไม้ไผ่อยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องแอะแอะอย่างบนปีนไปดูอา้าวเด็กมาจากไหนเทพ ป, ประธานมาให้นี่เอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนางกาลีรีบไปบอกเศรษฐีว่าไม่ตายไม่ตายมีคนเอาไปเลี้ยงอีกแล้วเอาเอาไปพันหนึ่งไปขอซื้อคืนมาในขณะ ที่หาอุบายหาวิธีกันแคร่งจะฆ่าเจ้าคนนี้อยู่เนี่ยใช้เวลาผ่านไปแปดปีเด็กนี้นโตแปดขวบมีน้องคนหนึ่งคือลูกเศรษฐีจริงๆพี่เนี่ยเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงน้องเป็นลูกแท้ยังฆ่าไม่ได้กี่ครั้งแล้วแปดปีในห้าครั้งแล้วเอาไว้ฟังตอนต่อไป <c oughs>